คำเริ่มคำพี 1. พระพุทธเจ้าผู้ทรงเปรียบดังดีโลกแห่งไตรโลกผู้ทรงบริสุทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเจริญสติปัฏฐานแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด 2. พระสัตธรรมอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้นมีชื่อว่าสติปัฏฐานเป็นประทีปในที่มืดและเป็นหนทางของคนหลงทางในป่าใหญ่ 3. พระสงฆ์ใดได้อบรมปรารภการเจริญสติปัฏฐานไว้เป็นอย่างดีท่านเป็นธรรมทายาิผู้เผยแพร่พระาศาสนาของพระาศาสดา 4. พระเถระชื่อว่ามหาสีผู้ทรงปัญญาเชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติได้ประพันธ์คำพีวิปัสนาในไว้ 5. ัมคำพีนั้นประพันธ์ไว้โดยคล้อยตามพระบาลี อธกถาและดีการงประเด็นชัดเจนและแสดงวิธีปฏิบัติอันดีงามหกพระเถระผู้ปรากฏสมณสักว่าพระพรมโมลีได้เห็นว่าคำพีนั้นอำนวยคุณประโยชน์จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าแปลคำพีดังกล่าวเจ็ดด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนมมสการพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์และครูของตนแล้วจักแปลด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดีพระคันทสาราพิวงวิปัสนาในเล่มสองนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปริเฉตที่ห้าเส้นทางโสรสยานผู้ปฏิบัติธรรมที่ประสงค์จะบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติควรตัดความกังวลเรื่องต่างๆเช่นที่อยู่ตระกูลอุปถากในวงเล็บผู้อุปถรัรมปัจจสี่การได้วัตถุสิ่งของอันเป็นเหตุให้เกิดความโลภเป็นต้น ควรํำระศีลให้หมดจดก่อนลงมือปฏิบัติธรรมดังกล่าวไว้ในปริเฉตที่หนึ่งและควรน้อมจิตคิดว่าขอให้ศีลนี้ได้เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุมรรคยานถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสงสัยว่าตนอาจเคยได้พูดล่วงเกินพระอริยบุคคลก็ควรต้องขอขมาท่านแต่ถ้าไปพบท่านไม่ได้ ก็ให้กล่าวขอขมาต่อพระวิปัสสนาจารย์การขอขมาโทษนับเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวพุทธมีประโยชน์เพื่อให้สำรวมระวังในโอกาสต่อไปหรือเพื่อให้เกิดความสบายใจดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ขอขมาต่อพระพุทธเจ้าในเรื่องการปลงพระชนพราชบิดา การพูดล่วงเกินพระอริยบุคคลเรียกว่าอริยประวาดมีผลให้ไม่อาจบรรลุธรรมได้ในชาตินี้เมื่อบุคคลได้ขอขมาพระอริยแล้วจะช่วยให้วัจีกก ร, รมไม่เป็นอริยประวาดแต่ยังต้องได้รับผลกรรมจากการพูดไม่ดีแน่นอนเพราะวั จ, จีกก ร, รมได้สำเร็จลงแล้ว โทษนั้นมิได้หายไปด้วยการขอขมาเพียงแต่เบาบางลงเพราะปราศจากปรเจตนาคือเจตนาหลังทำรรกรรมต่อจากนั้นควรน้อมถวายร่างกายนี้แด่พระพุทธเจ้าเพื่อตัดความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตทำให้ไม่เกิดความสะดุ้งกลัวเวลามีอารมณ์ที่น่ากลัวปรากฏขึ้นขณะปฏิบัติธรรม และควรน้อมถวายร่างกายนี้แด่พระวิปัสนาจารย์เพื่อให้ท่านอบรมสั่งสอนได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจหากปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์อย่างเคร่งครัดแม้จะไม่ได้มอบกายก็สามารถประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เช่นเดียวกันการมอบถวายร่างกายของตนแด่พระพุทธเจ้าและพระวิปัสนาจารย์ กล่าวไว้ในคำพีวิสุธทธิมรรคเป็นลำดับว่าอิมาหังพักวาอัอตตาาวังตุมหังกังปริจจชามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอมอบร่างกายนี้แด่พระองค์อิมาหังพันเตอตตภาวังตุมหากลงปริจจชามิข้าแต่ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าขอมอบร่างกายนี้แด่ท่านอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรน้อมจิตให้เชื่อตามความเป็นจริงที่ว่าพระนิพพานอันเป็นสภาพดับทุกข์ทั้งปวงคือรูปนามหรือขันห้าเป็นสภาพที่ประเสริฐมักสามารถสละกิเลสได้สิ้นเชิงและรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ ก็เป็นสภาพประเสริฐและบุคคลย่อมบรรลุมรรคและนิพพานดังกล่าวได้แน่นอนด้วยหนทางคือวิปัสสนานี้และควรพิจารณาต่อไปเพื่อให้เกิดกำลังใจว่าวิปัสสนาเป็นทางที่สัตว์บรุษคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปมาแล้วทั้งสิ้น หลังจากนั้นควรกราบพระโดยระลึกถึงพระพุทธคุณควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตั้งแต่เทวดารักษาวัดเป็นต้นไปขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเป็นต้นและถ้าสามารถทาได้ก็ควรพิจารณาความไม่สวยงามว่าร่างกายนี้ไม่สวยงาม ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังอีกทั้งควรพิจารณาถึงความตายว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาในขณะที่จเจริญวิปัสสนาควรจเจริญสมถภาวนาบางอย่างควบคู่กันไปเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติได้ราบรื่นสมถภาวนาดังกล่าวชื่อว่าอรักขกรรมมาฐาน คือกรรมาฐานคุ้มครองผู้ปฏิบัติมีสประการคือ 1. พุทธานุสติการหมันระลึกถึงพระพุทธคุณมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความปีติปราโมทสอเมตตาภาวนาการเจริญเมตตามีประโยชน์เพื่อให้คนที่อยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกัน 3. อสุภาพภาวนา การพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยงามมีประโยชน์เพื่อให้คลายความพอใจในร่างกาย 4. มรณานุสติการระลึกถึงความตายมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความสังเวชไม่ประมาทในชีวิตเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาดังนี้แล้วพึงนั่งขัดสมาธิหรือนั่งให้สบายด้วยกัน นั่งแบบใดแบบหนึ่งแล้วระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันดังจะกล่าวต่อไปถ้านั่งกรรมฐานแบบเรียงเท้าโดยเท้าไม่ทับกันก็จะทำให้นั่งได้สบายขึ้น <S <S การกำหนดขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติธรรมควรเริ่มตั้งจิตจดจ่อที่หน้าท้องของตนจนรู้สึกว่าท้องพองขึ้นและยุบลงถ้ายังไม่รับรู้อาการนี้ให้ชัดเจนก็ควรวางมือไว้ที่ท้องสักครู่สภาวะพองยุบก็จะปรากฏเองพึงกำหนดรู้สภาวะตึงขึ้นของท้องว่าพองหนอในขณะหายใจเข้า และกำหนดรู้สภาวะหย่อนลงของท้องว่ายุบหนอในขณะหายใจออกการกำหนดรู้คือการตั้งจิตจดจ่อเพื่อรับรู้สภาวะธรรมปัจจุบันโดยละเอียดทีท่วนในบางขณะอาจไม่ต้องบริกรรมก็ได้หรืออาจบริกรรมสั้นๆเพียงหนึ่งวินาทีในขณะเดินจงกรมและนั่งกรรมฐาน การบริกรรยาวนานอาจทำให้จิตรับรู้แต่คำบัญญัติตลอดเวลาที่บริกรรอยู่ไม่อาจรับรู้สภาวะธรรมได้เพราะในแต่ละขณะจิตรับรู้ได้เพียงอารมณ์เดียวในเวลาเริ่มปฏิบัติไม่ควรใส่ใจต่อรูปร่างสันฐานของร่างกายทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งควรปล่อยวางความรู้สึกที่มีตัวตน รับรู้เพียงสภาวะธรรมปัจจุบันสภาวะธรรมนั้นแม้จะเกิดร่วมกับบัญญัติก็ไม่ใช่บัญญัติเหมือนเงาไม้เกิดร่วมกับต้นไม้แต่ไม่ใช่ต้นไม้เวลาเราไปพักที่เงาไม้เราก็ต้องอยู่ใต้ต้นไม้ในกรณีเดียวกันเวลาเรารับรู้สภาวะเบาหนักตึงหย่อนหรือสัมผัส ก็ให้รู้เพียงสภาวะเท่านั้นอย่าใส่ใจต่อสมมุติบัญญัติสภาวธรรมเหล่านี้เกิดร่วมกับบัญญัติก็จริงแต่ไม่ใช่บัญญัติถ้าเราพยายามไม่สนใจมันต่อมามันจะค่อยๆหายไปเองนั่นคือเวลาที่จิตของเรารับรู้สภาวธรรมที่เป็นรูปนามได้ตลอดเวลาในบางขณะอาจรู้สึกถึงรูปร่างของท้องที่เป็นบัญญัติ ซึ่งรับรู้ควรคู่กับสภาวะตึงหย่อนที่เกิดร่วมกันเพราะยังไม่อาจจะบัญญัติโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นได้เนื่องจากสติสมาธิและปัญญายังไม่แก่กล้าต่อเมื่อแก่กล้าขึ้นแล้วบัญญัติย่อมอันตรธานไปและปัญญาย่อมเกิดขึ้นรับรู้สภาวะตึงหย่อนเท่านั้นโดยปราศจากรูปร่างของท้อง หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้สภาวะธรรมคือรูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้งหกได้เรื่องนี้เป็นธรรมชาติของวิปัสสนาแต่ในเบื้องแรกของการปฏิบัติต้องกำหนดอารมณ์หลักขณะนั่งเช่นสภาวะพองยุบได้ปรากฏชัดแก่บุคคลทั่วไปควรกำหนดในใจว่าพองหนอยุบนออย่างต่อเนื่อง โดยไม่เปล่งเสียงบริกรรมอีกทั้งไม่ควรหายใจแรงๆเพื่อให้สภาวะพองยุบ ป, ปรากฏและไม่ควรหายใจช้าหรือเร็วเกินไปควรหายใจตามปกติถ้ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในขณะนั้นควรกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านว่าคิดหนอฟุ้งหนอหรือดำริหนอคำบริกรรมว่าคิดหนอควรใช้ในขณะ ที่รับรู้เรื่องราวที่คิดเช่นคิดถึงใครหรือเรื่องอะไรคําบริกรรมว่าฟุ้งหนอควรใช้ขณะที่จิตสามารถรับรู้ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรคําบริกรรมว่าดาริหนอควรใช้ในเวลาที่คิดวางแผนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในคำบริกรรมควรใช้คำเพียงสองพยางค์เป็นหลักจะช่วยให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเพราะการกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านเป็นการรับรู้สภาวะที่เพิ่งดับไปชื่อว่าสันตติปัจจุบันคือปัจจุบันต่อเนื่องจากอดีตที่ดับไปจึงควรใช้คำบริกรรมสั้นๆจะทาให้จับสภาวะฟุ้งซ่านได้เร็ว ถ้ารู้สึกว่าได้พบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในความคิดให้กำหนดว่าพบหนอถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏในจิตให้กำหนดว่าเห็นหนอและกำหนดรู้จนกว่าสภาวะเห็นจะหายไปถ้ารู้สึกว่าพูดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในความคิดให้กำหนดว่าพูดหนอ เมื่อความฟุ้งซ่านดังกล่าวหายไปแล้วจึงกลับมากำหนดอารมณ์หลักคือสภาวะพองยุคตามเดิมผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานจนสติมีกำลังมากในบางขณะอาจกำหนดความคิดได้ทันท่วงทีโดยไม่รับรู้เรื่องราวหรือบุคคลที่กำลังคิดในขณะนั้นกำหนดว่าคิดหนอเท่านั้น ถ้าประสงค์จะกลืนน้ำลา ย, ายาก็ให้กำหนดว่าอยากกลนะืนนอกลืนนอถ้าประสงค์จะบ้วนน้ำลายให้กำหนดว่าอยากบ้วนหนอบ้วนหนอถ้าต้องการจะก้มศีรษะลงให้กำหนดว่าอยากก้มนอแล้วกำหนดว่าก้มนอ ก้มหนอในขณะที่ก้มตัวลงช้าช้าอย่า ก, ก้มลงอย่างรวดเร็วถ้าต้องการจะเงยศีรษะขึ้นให้กำหนดว่าอยากเงยนองแล้วกำหนดว่าเงยนอช้าช้าในเวลาเงยศีรษะขึ้นหลังจากนั้นจึงกลับมากำหนดสภาวะพองยุบ จิตที่ต้องการจะทำอากัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าจิตสั่งคือจิตที่ประกอบด้วยเจตนาและฉันท่าที่ต้องการจะทำผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดจิตสั่งดังกล่าวเมื่อรู้เห็นสภาวะธรรมของรูปชัดเจนแล้วจึงสามารถกำหนดรู้จิตสั่งได้อย่างชัดเจนไม่ควรรีบกำหนดจิตสั่งในเวลาเริ่มปฏิบัติธรรม เพราะจะเป็นเพียงการบริกรรมโดยไม่รับรู้สภาวะของจิตสั่งอย่างแท้จริงถ้าความปวดเมื่อยปรากฏในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้จดจอที่ความเมื่อยและกำหนดว่าเมื่อยนอเมื่อยนอโดยบริกรรมไม่ช้านักไม่เร็วนักความปวดเมื่อนั้นค่อยๆทุเลาลงแล้วหายไป หรืออาจทวีความรุนแรงขึ้นจนทนไม่ไหวถ้าเป็นเช่นนั้นให้กำหนดจิต ท, ที่ต้องการพริกว่าอยากพริกหนอแล้วกำหนดรู้อากับกิริยาทางร่างกายที่เปลี่ยนท่า น, นั่งเช่นถ้ายกมือหรือขาให้กำหนดว่ายกหนอยกหนอพร้อมกับยกขึ้นช้า ถ้าเหยียดมือให้กำหนดว่าเหยียดหนอเหยียดหนอพร้อมกับเหยียดช้าช้าถ้าคูให้กำหนดว่าคูหนาคูหน อ, หนอพร้อมกับคูช้าช้าถ้าวางให้กำหนดว่าวางหนอวางหนอควรทำช้าช้าอย่าทำเร็ว ถ้าอาวัยวะร่างกายสัมผัสบริเวณใดบริเวณหนึ่งพึงกำหนดว่าถูกหนอเมื่อผู้ปฏิบัติได้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้แล้วความปวดเมื่อยอาจหายไปในขณะนั้นควรกลับมากำหนดสภาวะพองยุบอย่างต่อเนื่องถ้าความรู้สึกแสบร้อนปรากฏขึ้นในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้กำหนดว่า ร้อนหนอกร้อนหนอเมื่อความรู้สึกแสบร้อนหายไปก็กลับมากาหนดสภาวะพองยุบตามเดิมถ้าต้องการจะเปลี่ยนอิริยบทเพราะความรู้สึกดังกล่าวรุนแรงขึ้นก็ควรกาหนดจิตที่ต้องการจะเปลี่ยนว่าอยากเปลี่ยนหนอแล้วกาหนดอากัปกิริยาทางร่างกายที่เปลี่ยนว่า ขึ้นหนอขึ้นหนอเป็นต้นตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วในที่สุดก็จะกลับมากำหนดรู้สภาวะพองยุบเพื่อมิให้การเจริญสติขาดช่วงไปอย่าให้มีเวลาว่างที่ขาดสติกำหนดรู้ถ้าสภาวะคันปรากฏขึ้นในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้กําหนดรู้สภาวะดังกล่าวว่าคันนอ้อคันนอ้อถ้าสภาวะคันหายไปในขณะกําหนดรู้ก็กลับมากําหนดพองยุบเหมือนเดิมเวลาที่รู้สึกว่าทนต่อสภาวะคันไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบทก็ควรกําหนดว่าอยากเปลี่ยนหนอหรืออยากเกาหนอ เมื่อต้องการที่จะยกมือขึ้นให้กำหนดว่าอยากขึ้นนอขึ้นนอขึ้นนอหรืออยากยกหนอยกหนอเมื่อมือไปสัมผัสบริเวณคันให้กำหนดว่าถูกนอและกำหนดว่าเกาหนอเกาหนอในขณะเกาอยู่ เมื่อต้องการจะวางมือลงให้กำหนดว่าลงหนอลงหนอเมื่อมือสัมผัสสถานที่ใดที่หนึ่งให้กำหนดว่าถูกหนอแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามเดิมว่าพองหนอยุบหนอถ้าเกิดความเจ็บปวดเป็นต้นในร่างกายพึงกำหนดตามสภาวะว่า ปวดนอเจ็บหนอชาหนอจุกหนอเหนื่อยหนอเวียนนอควรกำหนดให้ทันท่วงทีในขณะปัจจุบันไม่เร็วหรือช้าเกินไปในขณะกาหนดความเจ็บปวดบางครั้งความเจ็บปวดก็หายไปบางครั้งก็อาจรุนแรงจนทนไม่ได้จงอดทนอย่าท้อถอย เพราะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปถ้าทนไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนอิริยบทนั่งใหม่แล้วกลับมากำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามปกติโดยมีสติไม่ขาดช่วงผู้ปฏิบัติธรรมบางคนกำลังสมาธิดีและกำหนดได้ทันสภาวะปัจจุบันอาจรู้สึกว่า ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นแทบทนไม่ได้เหมือนมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นที่อกทำให้หายใจไม่ออกบ้างก็รู้สึกเจ็บเหมือนถูกปลายมีดแทงบ้างก็ร้อนเหมือนถูกน้าร้อนลวกหรือเจ็บคล้ายถูกเข็มแทงหรือปวดยิบๆเหมือนมีมแมลงตายตามตัวบ้างก็เกิดอาการคันหรือปวดแสบจนทนไม่ไหว และทําให้บางคนถึงกับกลัวการนั่งกรรมฐานต่อไปหากไม่กําหนดตามสภาวะแม้ความเจ็บปวดนั้นจะหายไปก็อาจกลับมาปรากฏอีกเมื่อมีสมาธิดีจงอย่า ก, กลัวเพราะไม่ใช่โรคร้ายและไม่หนักหนาสาหัสเป็นเพียงเวทนาสามัญที่เคยปรากฏแก่เรามาแล้วแต่เมื่อก่อนนั้นไม่ปรากฏชัด เพราะมีอารมณ์อื่นปรากฏชัดกว่าเมื่อสมาธิดีขึ้นเวทนาเหล่านี้จะปรากฏชัดตามสภาวะธรรมจงกำหนดเวลานั้นจนกว่าจะหายไปจะไม่เกิดอันตรายใดแก่ชีวิตเมื่อกำหนดจนหายไปได้แล้วเวทนาดังกล่าวอาจไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยถ้าอยากเอ็นกายพึงกำหนดว่า อยากเอนหนอในขณะที่กำลังเอนกายอยู่ให้กำหนดว่าเอนหนอเอนหนอถ้าร่างกายเกิดอาการเอนไปเอนมาอย่ากลัวให้ตั้งสติโดยมีความมั่นใจว่าการเอนจะหายไปขณะเอนให้กำหนดว่าเอนหนอเอนหนอ อย่าให้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปถ้ามีอาการรุนแรงมากจนแทบทรงกายไม่อยู่ให้พิงกับฟ้าหรือเสาก็ได้หรือจะเองกายลงนอนก็ได้พร้อมกับกาหนดต่อไปอาการนั้นจะหายไปเองในเวลาเพียงไม่กี่นาทีถ้ามีอาการสัน่นพึงกำหนดเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้ามีสภาวะคนลุกสู้ซ่า หรือสภาวะเย็นสบายที่หลังหรือทั่วร่างกายอยากกลัวนี้เป็นเพียงสภาวะของปิติที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจเกิดอาการสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงก็อยากกลัวความสะดุ้งตกใจนี้เป็นความปรากฏของการกระทบอารมณ์ที่ชัดเจนเพราะสมาธิมีกำลังมากกว่าเดิมเมื่อต้องการเปลี่ยนท่าวางมือเท้า หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้กำหนดจิตสั่งก่อนแล้วกำหนดอิยรยาบทต่างๆตามสภาวะที่เป็นจริงให้ทันปัจจุบันขณะควรทำช้าๆเหมือนคนไร้กาลังอยากเคลื่อนไหวเร็วถ้าอยากดื่มน้ำให้กำหนดว่าอยากดื่มหนอถ้าอยากจะลุกขึ้นยืนให้กำหนดว่าอยากลุกหนอ ในขณะที่กำลังลุกขึ้นให้กำหนดว่าลุกหนอเมื่อยือนตรงแล้วให้กำหนดว่ายืนหนอขณะเดินและมองเห็นให้กาหนดว่าเห็นหนอถ้ารู้สึกว่าอยากเดินให้กำหนดว่าอยากเดินหนอและกำหนดว่าย่างหนอ ย่างนอหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้ตั้งแต่ขณะยกเท้าขึ้นจนถึงขณะเหยียบลงแลลเก้าวช้าๆในขณะเดินจงกรมในทุกก้าวควรกำหนดว่ายกหนอเหยียบหนอ หลังจากกาหนดสองระยะได้คล่องแคล่วแล้วให้กาหนดละเอียดขึ้นเป็นสมระยะว่ายกนอย่างหนอเหยียบหนอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดินถึงตําแหน่งที่วางน้ำดื่มขนาดที่มองเห็นที่วางน้ำดื่มให้กาหนดว่าเห็นหนอในขนาดที่ยืนอยู่ให้กาหนดว่า ยืนหนอเมื่อจะยื่นมือไปจับแก้วน้ำให้กำหนดว่ายืนหนอเมื่อมือกระทบกับแก้วน้ำให้กำหนดว่าถูกหนอในขณะจับแก้วน้ำให้กำหนดว่าจับหนอในขณะตักน้ำให้กำหนดว่าตักหนอในขณะยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม ให้กำหนดว่ายกหนอในขณะแก้วน้ำกระทบกับริมฝีปากให้กำหนดว่าถูกหนอถ้ารู้สึกเย็นให้กำหนดว่าเย็นหนอในขณะกำลังดื่มให้กำหนดว่าดื่มหนอกรืนหนอถ้ารู้สึกเย็นที่ช่องคอหรือภายในท้อง ให้กำหนดว่าเย็นหนอในขณะวางแก้วน้าให้กำหนดว่าวางหนอถ้ามือสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าถูกหนอถ้าต้องการจะหมุนตัวกลับให้กำหนดว่าอยากกลับหนอในขณะกำลังหมุนตัวให้กำหนดว่า กลับหนอถ้าเดินต่อไปก็เดินกำหนดตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อต้องการจะยืนให้กำหนดว่าอยากยืนหนอในขณะยืนให้กำหนดว่ายืนหนอถ้าต้องการยืนเป็นเวลานานเช่นรอคอยตักอาหารน้ำดื่มปานะเป็นต้น แล้วปรากฏสภาวะพองยุบก็กำหนดว่ายืนหนอพองหนอยุบหนอในขณะย่อตัวลงนั่งให้กำหนดว่าลงหนอโดยรับรู้สภาวะหนักที่ค่อยๆเคลื่อนตามลงในขณะย่อตัวลงนั่งให้กำหนดว่าลงหนอโดยรับรู้สภาวะหนัก ที่ค่อยๆเคลื่อนตามลงในขณะหย่อนตัวลงนั่งในขณะที่เริ่มนั่งแล้วให้กำหนดการเปลี่ยนท่ามือและเท้าโดยละเอียดถ้าไม่มีสภาวะปัจจุบันอย่างอื่นที่ชัดเจนกว่าพองยุบพึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามเดิมถ้าต้องการจะนอนให้กำหนดว่า อยากนอนนอพึงกำหนดสภาวะเคลื่อนไหวของมือเท้าและร่างกายในขณะเอ็งตัวลงเช่นยกนอเหยียดนอยันหนอเป็นต้นในขณะเอ็งตัวลงนอนพึงกำหนดว่าเอ็นนอหรือนอนนอโดยรับรู้ร่างกายที่ค่อยค่อยเอนลง พึงกำหนดการกระทบกับหมอนหรือที่นอนว่าถูกหนอในขณะเอนตัวลงนอนใหม่ๆ ใ, ให้กำหนดอาการเคลื่อนไหวของมือเท้าและร่างกายอย่างช้าๆแล้วจึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามเดิมในขณะกำลังนอนเมื่อเกิดเวทนาเช่น เมื่อยร้อนเจ็บปวดคันให้กำหนดเวทนานั้นทันทีถ้าอยากกลืนน้ำลายบ้วนน้ำลายหรือความคิดฟุ้งซ่านก็พึงกำหนดสภาวะนั้นๆเมื่ออยากจะพลิกร่างกายไปทางขวาหรือซ้ายหรือต้องการจะเหยียดคู่มือเท้าให้กำหนดจิตสั่งก่อนจะทำอากัปเกิริยนั้นๆ ถ้าไม่มีสภาวะอื่นที่ปรากฏชัดก็พึงกำหนดว่าพองหนายุบหนาตามเดิมถ้าอยากจะนอนให้กำหนดว่าอยากนอนหนาเมื่อง่วงให้กำหนดว่าง่วงหนาเมื่อสมาธิมีกำลังขึ้นแล้วหากกำหนดได้ทันปัจจุบันอย่างละเอียดอาการง่วงนอนจะหายไปเอง และมักสดชื่นตามปกติหากเกิดอาการสดชื่นให้กำหนดว่าสดชื่นหนอแล้วจึงกลับมากำหนดพองหนอยุบหนอตามเดิมแม้ความง่วงนอนจะไม่หายไปก็ไม่ควรหยุดกำหนดควรตามกำหนดว่าพองหนอยุบหนอเป็นต้นโดยคิดว่าเป็นกาหนดจนกว่าจะหลับไป ถ้าร่างกายอ่อนเพลียมากผู้ปฏิบัติธรรมจะหลับไปในขณะกำหนดอยู่นั้นการหลับสนิทคือการเกิดขึ้นของผวังคจิตคือจิตที่พ้นความรู้สึกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีวิถีจิตเกิดขึ้นผวังคจิตเป็นจิตอย่างเดียวกับปฏิสนธิจิตจิตดวงแรกในภพใหม่และจุติจิตจิตดวงสุดท้าย ก่อนเสียชีวิตในขณะหลับสนิททุกคนจะไม่รู้สึกอารมณ์ใดๆในเวลาปกติที่ตื่นขึ้นมาผวังค์าจิตมาเกิดขั้นกลางระหว่างวิธีจิตจิตที่รู้สึกอารมณ์ต่างๆในระหว่างเห็นได้ยินนึกคิดเป็นต้นแต่ไม่เกิดนานเหมือนเวลาดับสนิทจึงไม่สามารถกําหนดรู้ผวังค์าจิตได้ ในเวลาตื่นให้กำหนดว่าตื่นหนอในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติแรกๆเป็นการยากที่จะกำหนดจิตตื่นครั้งแรกได้แม้จะกำหนดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพึงกำหนดเมื่อระลึกได้ทันเท่านั้นเมื่อเกิดความคิดหลังตื่นนอนให้กำหนดว่าคิดหนอ จนความคิดหายแล้วจึงกลับมากาหนดพองนอยุบนอตามปกติในขณะนอนเมื่อตื่นขึ้นมาในขณะได้ยินเสียงให้กาหนดว่าได้ยินนอแล้วจึงกาหนดว่าพองนอยุบนอเมื่อไม่มีอารมณ์อื่นปรากฏชัดกว่าสภาวะพองยุบพึงกาหนดสภาวะพริตัว ขยับตัวคูหรือเหยียดตามสภาวะนั้นๆโดยเคลื่อนไหวช้าๆถ้าผู้ปฏิบัติทำต้องการจะรู้เวลาให้กำหนดว่าคิดหนอคิดหน อ, หนอเมื่ออยากลุกขึ้นให้กำหนดว่าอยากลุกหนอและให้กำหนดอาการเคลื่อนไหวของกายที่กำลังเตรียมจะลุก เช่นในขณะกำลังลุกให้กํำหนดอากัปกิริยาทางกายที่เบาลอยขึ้นว่าลุกหนาเมื่อนั่งแล้วให้กําหนดว่านั่งหนาหลังจากนั้นจึงกลับมากําหนดสภาวะพองยุบตามปกติในขณะล้างหน้าหรืออาบน้ำให้กําหนดตามลำดับของสภาวะการเห็น การยื่นการจับการถือการเทความเย็นการกระทบเป็นต้นแม้ในขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดที่นอนเปิดหรือปิดประตูและทาการจับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นก็ควรกำหนดอย่างต่อเนื่องในขณะใช้มือรับประทานอาหารให้กำหนดรู้ดังนี้ เมื่อมองเห็นจานข้าวให้กำหนดว่าเห็นหนาในขณะขยับมือปั้นก้อนข้าวให้กำหนดว่าขยับหนาในขณะยกคำข้าวขึ้นให้กำหนดว่ายกหนาในขณะก้มศีรษะลงให้กำหนดว่าก้มหนาในขณะคำข้าวกระทบกับริมฝีปาก ให้กำหนดว่าถูกหนอในขณะคบคำข้าวให้กำหนดว่าขบหนอในขณะปิดปากให้กำหนดว่าปิดหนอในขณะวางมือลงให้กำหนดว่าลงหนอในขณะมือกระทบกับจานข้าวให้กำหนดว่า ถูกหนาในขณะเงยศีรษะขึ้นให้กำหนดว่าเงยหนาในขณะเคี้ยวให้กำหนดว่าเคี้ยวหนาในขณะรู้รสให้กำหนดว่ารู้หนาในขณะกรืนให้กำหนดว่ากลืนหนา ในขณะอาหารไหลลงไปกระทบกับช่องคอหรือลำไส้ให้กำหนดว่าถูกหนอผู้ปฏิบัติธรรมควรกาหนดรู้โดยละเอียดตามในที่กล่าวมานี้ในขณะที่ปั้นก้อนข้าวและดื่มน้ำแกงผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมมักไม่อาจกำหนดโดยละเอียดอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถกำหนดรู้จิตสั่งที่ต้องการ จะทำอากัปกิริยานั้นๆอย่างไรก็ตามอย่าท้อถอยถ้าตั้งใจว่าจะกําหนดโดยละเอียดแล้วก็จะสามารถกําหนดได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะสามารถกําหนดได้ละเอียดกว่าอากัปกิริยาที่กล่าวมานี้เสียอีก